ีกรุราชครึกมีการแสดงมรารสนบุญภูเขาก็ตามปกติก็สนุกสนานเยี่ยงคนหนุ่มทั้งหลายนะก็แสดงไปชื่นชมไปตับการแสดงหัวเราะบ้างเฉยๆบ้างเชใจบ้างก็แล้วแต่วันหนึ่งบารมีแก่กล้าขึ้นต่างคนต่างเริ่มได้คิดว่า มันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรจากการดูการแสดงเพราะในที่สุดเนี่ยทั้งผู้ดูทั้งผู้แสดงนี่ก็ดับด้วยกันก็ตายด้วยกันแล้วก็ทอดทิ้งสิ่งทั้งหลายเอาไว้ในโลกนี่แหละไม่ได้เอาพาอะไรไปเพรา ะ, ะมันป่วยการที่จะใช้ชีวิตในลักษณะนี้มันน่าจะออกสวงงามโมฆะธรรมคือเป็นยุคสมัยที่คนก็สนใจเรื่องธรรมมากกัน พอใจติดใจสนใจในเรื่องธรรมะ ก, กันมากต่างคนต่างก็คิดที่จะออกแสวงหาโมกขธรรมกันออกจากที่แสดงก็มาปรึกษากันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผิดหน้าตามันผิดไปแล้วก็เล่าความคิดของกัรในการฝังประคตปรากฏว่าคิดตรงกันเมื่อคิดตรงกันว่าทํายังไงล่ะเราควรจะไป สวงหาโมกะธรรมคือออกบวชในสำนักของใครสักแขงหนึ่งนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็ตกลงบวชในสำนักของสัญชัยปริภาชกซึ่งเป็นนักบวชในกลุ่มครูทั้งหกแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยอย่าลืมมันก็ไปกันเป็นพันพันคนทีนี้เมื่อจะออกบวชโดยไม่ได้ร่ำล า, าครอบครัวเนี่ยก็ให้อะ พวกชุดหนึ่งนี่เอาเสลี่ยงกับรถม้าในกลับบ้านก็ฝ่ายละสองร้อยห้าสิบก็ยังเหลือฝ่ายละสองร้อยห้าสิบเอาบวชในสำนักสัญชัยปรีภาชกก็ห้าร้อยนะห้าร้อยบวชบวชอยู่ระยะหนึ่งปรากฏว่ามันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรเพราะว่าสัญชัยนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเคยไปคุยด้วยครูตั้งหกนี่ยพระเจ้าอาชาติตรูเคยไปคุยด้วย แล้วก็มากราบทูลมาพุทธเจ้าว่าบรรดาครูทั้งหกนี่สันชัยนี่โง่ที่สุดเลยคือแกพูดนี่จับไม่ไหวเลยจับไม่ถูกเลยไม่รู้แกจะเอาอยัางไงก็เรียกว่าอมาราวิเคปิกาคือวายทะนี่มันเลื่นไหลเหมือนกับปลาไหลนะฮะลื่อนไปเรื่อยๆเลยจับไม่ติดเลยไม่รู้ท่านจะเอาอยัางไงท่านก็เรียกว่าเถียงยังไงก็เถียงเถียงไม่ได้นะฮะเพราะว่าท่านไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่ง ไหลไปเรื่อยๆก็ทำให้สองสหายนีผิดหวังในที่สุดก็ตตลงกันว่าผู้ใดบรรลุอมะตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกกับอีกคนหนึ่งคำว่าอมะตะธรรมจึงเป็นคำที่ใฝ่ฝันกันแปลว่าธรรมะที่ทำบุคคลผู้ปฏิบัติผู้บรรลุนะฮะไม่ให้ต้องตายต่อไป สืบเนื่องมาจากความคิดเรื่องอมฤุดน้ําอมฤุดของเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ขวนรกระเสียนสมุดเพื่อได้น้ําอมฤุดมาแล้วก็ได้ดื่มแล้วตัวเองจะไม่ต้องตายนะคําเหล่านี้ก็เป็นคําที่มาพูดถึงธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยรับสั่งแก่ปัญญวคีว่าพระองค์บรรลุอมรุดธรรมแล้วมาเพื่อจะแสดงธรรมแก่ท่านเหล่านั้นเพราะนั้นคำนี้ก็ สาริบุตรกับพระโมคคัลลานะก็มาใช้อีกทีหนึ่งว่าใครบรรลุอมตะธรรมก่อนก็ให้บอกแกอีกฝ่ายหนึ่งสมัยนั้นในขณะที่เป็นเวลาเช้านะท่านวัดท่านพระอัสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีนะฮะอัญญากนรัญาปะปะพัทยามานาะมาอัศชิก็เป็นหนึ่งเป็นองค์สุดท้ายใน พวกกลุ่มของพระปัญญวัคคีทั้งห้าก็กลับมาจากการไปเผยแผ่าศาสนาตามตอนที่พระพุทธเจ้าส่งไปนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีหลักฐานว่าท่านไปได้ลูกศิษย์อะไรที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าเพียงแต่ว่าท่านกลับมาแล้วก็มาที่กรุงราชครืดแต่อย่าลืมนะฮะท่านอาจจะไปเผยแผร่ที่กรุงราชครืดก็ได้เพราะว่าตอนพระพุทธเจ้าทรงเนี่ยพระเจ้าอยู่ที่สาวัตถ์อยู่ที่พาราณสีนัน เพรนั้นาอาจจะมาเผยแผ่ในที่กรุงราชคฤห์แล้วอาจจะได้ลูกศิษย์ลูกหาอะไรแล้วแต่ว่าคือการบันทึกเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ตัวธรรมะไม่ค่อยเน้นไปในเรื่องปัญหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์ทําไมประวัติศาสตร์เนีขาดๆเป็นตอนเป็นตอนไปบางทีเราก็นึกไม่ออก ว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังเรื่องเหล่านี้กับเรื่องนี้เนี่ยอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยดูไม่ออกเพราะว่าท่านไม่เน้นที่จะบันทึกในลักษณะนั้นมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยนะฮะใครการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยว่าความนิยมจริงๆเนี่ยเขานิยมบันทึกยังไงศา ส, สนาเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ธรรมะเป็นหลักเพราะงั้น ไองานของพระอระหันตสาวกหกสิบรูปรวมกันเก้าสิบรูปทั้งพัตตะวคีที่ไปรุ่นแรกเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าใครไปได้ลูกศิษย์ลูกหามากี่คนฮนะที่พอรู้นี่ว่าถนัดเสจิก็ได้ภาษาริบุตรปัญญากลนัญญาก็ได้พระกุณณะมันตานีมาน้อ น, นั้นก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครไปได้ใครมาบ้าง แต่ว่าแสดงว่าคงทํางานประสบผลสําเร็จมันเป็นเหตุการณ์ยุคต้นๆแล้วพระที่มาทําสังคายนานั้นเป็นพระยุคหลังหลังลงมานะฮะพระยุค ก, ก่อนยุคต้นๆใกล้ๆกันก็คือพระมหา ก, กระสปะรูปเดียวตอนนั้นก็เป็นพระรุ่นใหม่ที่มาทําสังคยนาร้อยกลองมาทำมินายเพราะฉะั้นเรื่องมันคงจะหายหายไปบ้า ง, งนะฮะที่ไม่ได้ํานําสู่สังขีติ นำมาสู่การตั้งคายนาะพระอัสชิก็ถือบาทไปยังนครราชครึมีมัร ญ, ญาตในการก้าวไปในการถอยกลับในการแลเเลียวในการกู้แขนในการเหยียดแขนหน้าเรื่องใสมีในตาทอดลงถึงพร้อมด้วยอิยาบุตรสาริบุตรปริพาชกได้เห็นท่านอัสชิกับบังเทียบินทบาดในกรุงราชครึ มีบัญญาก้าวไปถอยกลับแลลีวคู่แขนเหยียดแข น, แขนหน้าเลื่อมใสมีในตาโทษลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบทนี่เราเห็นว่าการเดินเนี่ยนะการเดินที่สวยงามแสดงถึงความส ง, งบภายในมีลักษณะสง่างามน่มันก็สร้างความประทับใจสร้างความสนใจให้แก่บุคคลทั้งหลายได้เหมือนกันเพราะอุปติสสะปริภาชกฤษสารีบุตรปริภาชกก็ กิสนใจในพระไ ช, ชิชีขึ้นมาเพียงเพราะเห็นอิริยาบถนะฮะยังยังไม่ได้พูดจาป่าใสอะไรกันเลยทําให้เราเห็นแนวในการเผยแผ่ศาสนาว่าวัดวารามที่จริงก็ตกแต่งให้สะอาสดเรียบร้อยน่าอยู่น่าใสาเนี่ยมันก็เป็นการเผยแผ่ระดับหนึ่งแล้วคนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้สบายก็เป็นการเผยแผ่อย่างหนึ่งแล้ว พระปฏิบัติกิจวัตรของตัวเองตามภาระหน้าที่ที่แต่ับมอบหมายหรือว่าจะต้องจัดจะต้องทำด้วยความดูแลเอาใจใส่แล้ก็สร้างศรัทธาเริ่มใสให้เกิดขึ้นแก่คนที่มาประสบพบเห็นแ้วในอริยาบทของพระราชชิก็สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นแก่สารีบุตรหรือว่าอุปติสสะไปิพาจกนะคร ท่านจิงดำเนีว่าบรรดาพระหรันหรือท่านผู้ได้บรรลุอรหัตมากในโลกเนี่ยพิสูรรูปนี้คงเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแน่นอนนี่คือการมองเป็นวิธีการมองคนเนี่ยที่คนไทยบอกว่าคบคนดูหน้าซื้อผ้าดูเนื้ออยาวไว้ใจทางอย่าวางใจคนเนี่ยคือสังเกตจนเห็นว่าปกติของท่านไม่ใช่เป็นลนาาักษณะเสแสร้งมายาโออวด คือแข่งดีกับใครแต่เป็นปกติวิสัยของท่านเดินสังเกตตามไปเรื่อยๆนะเพราะท่านเป็นท่านอย่างนั้นเองคนที่เป็นอย่างนี้ต้องมีความสงบภายในถ้าไม่สงบภายในทาอย่างนั้นไม่ได้ในที่สุดท่านก็คิดว่าภิกษุรูปนี้คงไปเป็นผู้ใดผู้หนึ่งถ้าะไรเราพึงเข้าไปหาภิกษุรูปนี้ และถามว่าท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครแล้วได้ําลำดีต่อไปว่ายังเป็นการไม่สมควรจะถามภิกษุรูปนี้คือภิกษุนั้นเป็นเพศของนักบวชที่พระพุทธเจ้าเลือกปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนต้นนะนะเพราะว่าตอนที่ทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูตที่สี่ 4, คือสมณะนี่มันอยู่ในเพศของภิกษุ เพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ถือเพศของสา ม, มัญะปันเดวะกีที่บวชตามก็ถือเพศของภิกษุคือเพศของภิกษุเหมือนกันเพราะงั้นเวลาตอนที่ทรงแสดงปรถมเทศนาพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าเทเวเมภิกเวนะฮะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองประการควรไม่ควรเสดนั้นก็แสดงว่าเพศเหล่านี้ยเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนทั้งหลายสารีบุตรนั้นเป็นเพศปริพาชกแต่งชุดขาวนะฮะแต่งชุดขาว ต้องขาวผมขาวแต่ว่าไม่ปลงผมนะฮะไว้ผมยาวไว้ผมผมไว้เครายาวแต่ว่าภิกษุนั้นปลงผมกนหนวดต้องห่มผ้ากาสายะหรือผ้าย้อมในน้าฝาดท่านก็เรียกภิกษุนึกนะตอนนี้ตะยิงยังไม่เรียกอนะ่ะแต่ว่าเนึกว่าเป็นภิกษุดูแล้วว่ายังเป็นการไม่สมควรที่จะถามเพราะว่าท่านกําลังเข้าและแวก บ, บ้านเที่ยวบินธบาต ดิจนั้นเราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังข้างหลังเพราะเป็นทางอันผู้มุ่งประโยชน์ทั้งหลายต้องสนใจครั้นัท่านอัสสชิเที่ยวบินธบาตในพระนครราชเคฤหอถือบินธบาตกลับไปจึงสาริบุตรปริภาชกเข้าไปหาท่านปราศ ช, ชิได้พูดปราศัยกับท่านอัสสจิครั้นผ่านการสนทนาปราศัยพอให้เป็นที่บันเทิงใจเป็นที่ระลึกถึงกันได้แล้ว ได้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งสายวิปริภาชกยืนอยู่นะที่ควรส่วนกันหนึ่งแล้วได้กล่าวคํานี้กับท่านอัเซจิว่าอินทรีย์ขาท่านผ่องใสอินทรีในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาหูจมูกลิ้นกายในใจก็ดูไม่ออกหรอกแต่ว่ารู้ว่ามันมีความสงบภายในจากกิยจอาการที่ท่านแสดงออกมาก็ถามว่า อินทรีย์ของท่านนั้นผ่องใสผิวปรนของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องคือสดใสนะฮะพระอรหันในท่านท่านสดใสเพราะว่าใจไม่ขุนมัวคนลอยใจไม่ขุ่นมัวใจไม่คิดมากไว้วิจต ก, กังวลมากอะไรอะไ ร, ะไรมันก็ดีไปหมดแล้วก็ท่านบวชเฉพาะใครถามว่าท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครขอรับ พระจะชี้กล่าวว่ามีอยู่ท่านพระมหาสมณะสักกายบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะสกุลระบวดเฉพาะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนั่นก็เป็นการบอกกล่าวเท่าความไปหน่อยหนึ่งนะฮะว่าเป็นสมณะที่ออกบวชจากสักยะสกุลเพราะว่า สารีบุตรปริพาชกยังไม่รู้จักแต่พอเท่าความไปถึงราชวงศ์สักยะไอข้ข่าวคราวของคนระดับนักปราชญ์คนหนึ่งเนี่ยคงจะรู้ข่าวเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่บ้างยังเข้าใจว่าอายุอานามก็คงจะไม่ค่อยห่างอะไรกันเท่าไหร่นะพระพุทธเจ้ากับสารีบุตรเนี่ยเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปชนสามสิบหกปัญหาเท่นั้นเองสารีบุตรก็คงจะอาจจะอ่อนกว่าแต่อ่อนกว่าก็ไม่มากหรอก จะใกล้เคียงกันด้วยซ้ำไปที่น่าสังเกตก็คือว่าท่านถามว่าก็ระาศาสดาของท่านสอนอย่างไรและแนะนำอย่างไรกระชีท่านเห็นว่าเขาเป็นนักบวชนอกาศาสนาแล้วพระพุทธาศาสนาเราเองก็เพิ่งเกิดยังไม่ถึงสิบเดือนเลยนะฮะยังไม่ถึงสิบเดือนเลยเพิ่งเกิดมาเนี่ยถ้าจะกล่าวอะไรไป ให้วิจิตพิสดารมันอ จ, จะมีปัญหาก็ได้ท่านจึงบอกว่าเราเป็นคนใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู้ประตูประตามีในนี้มาแสดงธรรมแก่ท่านกว้างขวางแต่จะ ก, กล่าวใจความแก่ท่านโดยย่อคือภาษาดิบุตรเนี่ยเป็นคนฉลาดมากมีปัญญาแหลมคมมากว่ากันว่าท่านสามารถคำนวณฝนที่ตกลงมาจากอากาศ แต่ตรงนั้นถึงตรงนั้นเนี่ยว่าฝนตกมากี่มเมล็ดเนี่ยท่านท่านสามารถจะบอกได้ก็มีปัญญาที่เฉียบแหลมก็ยอกนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่ามีปัญญาสูงสุดนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บรรลุมรผลเป็นพระหานะยังเป็นปริพาโชกอยู่สาบุก็กล่าวว่าน้อยหรือมากในบนกล่าวเถิดท่านจงกล่าวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการใจความอย่างเดียว การจะทำพยัญชนะนให้มากทำไมหมายความมันโดยเนื้อหาสาระแล้วที่จริงไม่ต้องพูดมากนะไม่ต้องพูดอะไรกันมากอย่างที่เราบรรยายอธิบายธรรมะ ก, กันออกไปวิจิตพิสดาเนี่ยเพราะว่าคนมันมีความหลากหลายแต่ถ้าคนไม่หลากหลายแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดมากนะพูดประโยชน์สั้นๆเพราะในย่าของพระพุทธศาสนาที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆ บางครั้งบางคราวมันก็มีบรรทัดสองบรรทัดอันนั้นเองแต่เป็นตัวเนื้อหาสาระาเป็นตัวแก่นแท้ของเรื่องเหล่านั้นแล้วคนฟังแล้วก็บรรลุมรควนได้เช่นทรงสแสดงแก่พระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของศูนย์น้ทถอนอัตตานทิชคือความรู้สึกว่าเป็นตัวตนออกไปแล้วถ้าทาได้แล้วมัจจุราชคือความตายก็จะตามไม่ทัน ชางฟังแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระหันคือถอนอัตตาโนทิติความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยทอนอัตตาโนทิติโดยเฉพาะยิ่งคือความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวตนเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่มีตัวตนอยู่เนี่ยมันสมมติว่าสมมุติว่าอย่างเง <te> pues ี isés, detox, settling, ้ยสมมติว่าไอ้เครื่องอัฐิบริขารอะไรต่างๆของพระเนี่ยเราไม่เป็นพระเนี่ยเราก็ไม่ต้องการ เพราะว่าตัวตนเราไม่ได้ ม, ไ ม, ไดมีไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้ของอย่างนั้นหรือว่าพราะเครื่องใช้ของคาราวาสเสื้อผ้าอภรรของคาราวาสเดยอะแยะไปหมดเลยก็ให้พระพระก็ไม่เอาอะ่ะเพราะว่าตัวตวนท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการรู้จักสถานะของตนเนี่ยมันมีผลในการลดละกิเลสลงไปให้กิเลสลดน้อยจางคลายลงไปได้ด้วยดังนั้น ธรรมะปริยายของธรรมะนี่จึงจึงมีความหลากหลายในเชิงบูหารชี้แจงอธิบายขยายข้อความออกไปโดยวิจิตพิสดารคือบางทีเขาก็ตั้งเวลาไว้นะเช่นสมมติว่าให้พูดเท่านั้นเท่านี้เวลาอย่างรายการอย่างเนี้ยนะเวลาที่าบว่าจริงๆสามสนาทีแต่สามารถพูดได้ก็ประมาณยี่สิบห้านาที บางทีกว่าจจะไม่ถึงก็ตัดแต่ก่อนอะไรแต่ไรเนี่ยพก็มีรายการเข้ามาแทรกอะไรเนี่ยเราก็ต้องพูดจนหมดข้อความหมดเวลาในเรื่องตรงนั้นประเด็นอาจจะขยายหรืออาจจะย่อก็แล้วแต่บางทีเห็นว่าบางคนจะขยายก็ ข, ขยายออกไปเพระาะอะไรเพราะวิทยุด้านคนฟังมีความหลากหลายไม่ได้เจาะจงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่อย่างเทศในโบสถ์เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายมันจะไม่กระจายนะ วันเทศก็ไม่จำเป็นจะต้องวิจิตพิสดารอะไรก็ได้แต่ว่าก็มองหน้าญาติโยมซยก่อนก็แล้วกัน ค, คือให้มีความชัดเจนว่าควรจะแสดงยังไงท่านฟังทั้งหลายใต้ร่มพรโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ้องงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี